บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปปัจจัยแห่งนามรูปซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดพิจารณาแยกแยะออกไปให้ชัดเจนนั้นโดยปัจจัยหลักแล้วก็คือกิเลสกับกรรมส่วนกิเลสท่านจำแนกออกเป็นนวิชาตัญหาอุปาทาน ที่กราบมาแล้วโดยลำดับปัจจัยประการต่อไปก็คือกรรมคำว่ากรรมนั้นได้แก่เจตนาที่บังเกิดขึ้นแล้วทำให้บุคคลกระทมลงไปทางกายบ้างทางวาจาบ้างแม้คิดด้วยใจบ้างเจตนาที่เป็นเหตุให้กระทำลงไปนั่นเองท่านเรียกว่ากรรม ข้อนี้พระพุทมีพระพาคเจ้าเองได้ทรงให้นิยามความหมายไว้ว่าบุกรลภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลมีเจตนาแล้วกระทำการทางกายบ้างมาจาบ้างทางใจบ้างกรรมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนโดยไม่อาจที่จะแยกกันได้แต่จะต้องเข้าใจว่ากรรมเป็นเรื่องของวัตกวัตตะ คือเรื่องของสังสารวัฏการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจุดหมายปลายทางจึงอยู่ที่ทำลายปัจจัยแห่งนามรูปเพื่อพ้นจากภาวะที่เป็นโลกิยะเข้าถึงความเป็นโลกุตระแต่สาสตร์ใดที่ยังไม่เข้าถึงภาวะที่เรียกว่าโลกุตระแล้วเรื่องปัจจัยแห่งนามรูปทั้งสองประการนี้ ก็มีอิทธิพลอยู่ตลอดไปกรรมนั้นเป็นพลังซึ่งเก็บสะสมไว้ภายในจิตของบุคคลหลังจากบุคคลได้มีเจตนากระทาลงไปไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามกรรมเป็นตัวสร้างเป็นตัวเหตุปัจจัยของนามรูปทั้งส่วนอดีตปัจจุบันและแม้ในอนาคตถ้ากรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ ดังนั้นบุคคลผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมอาจจะกำหนดแยกย่อยออกไปจนถึงส่วนที่เป็นอดิตลผลซึ่งปรากฏขึ้นในชีวิตของบุคคลเราในด้านของคติคือพบที่ตนูปัติในด้านของสกูลคือสกุลที่ตนเกิดตลอดถึงรูปร่างหน้าตาพื้นฐานทางสติปัญญาผิวพันธ ลักษณะความแปลกเพียนในด้านต่างๆแตละอย่างนั้นเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ากรรมเป็นตัวแยกเป็นตัวจำแนกให้คนเลวและประนิทแตกต่างกันความแตกต่างกันของบุคคลในชั้นของการเกิดมาเช่นว่ามีอายุสั้นอายุจืด มีสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีมีสกุลต่ำสกุลสูงมีสักด้อยมีสักสูงตลอดถึงมีปัญญาดีและมีปัญญาสามเป็นต้นนั้นถ้าหากว่าจะอธิบายกันในเชิงวัตถุธรรมหรือตามหลักของชีววิทยาและเราจะไปจนกับปัญหาบางอย่างซึ่งเราหาคำตอบไม่ได้ แต่กฎของกรรมซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติที่พระพุมีพระพาครเจ้าทรงสัดสรุกละนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงไว้นั้นพระองค์ได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างในเรื่องนั้นๆไว้อย่างชัดเจนเช่นคนที่เกิดมามีอายุยืนก็พราะผลของอดิตกรรมที่อยู่ด้วยเมตตาจิตไม่เบียดเบียนทำลายล้างชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่น คนที่มีรูปร่างผิวพรรณดีก็เพราะพื้นจิตเป็นคนไม่โกรธสามารถควบคุมความรู้สึกไว้ได้คนที่มีโรคน้อยเพราะไม่เคยเบียดเบียนสัตว์อื่นหรือแม้เบียดเบียนก็น้อยคนที่เกิดมาในสกุลที่บั่งข้างโดยทรา์สมบัติก็เพราะผลแห่งการให้ทานคนที่เกิดมา ม, มีเกิดมามีศักด์ดาใหญ่ คือในสกุลที่มีอำนาจมีทีพลหรือว่าเป็นที่เคารพยำเกรงของคนอื่นมีสง่าราศีเปงต้นก็เกิดขึ้นมาจาก <c oughs> จากจิต ท, ที่ไม่มีริษยาเป็นพื้นประกอบด้วยกรุณาจิตต่อบุคคลทั้งหลายคนที่เกิดมามีสติปัญญาดีมีแนวโน้มไปในด้านกุศลก็แสดงถึง ผลของการที่ได้ศึกษาได้สะดับสรฟังมาในอดีตการในสำนักของนักปราชญ์ทั้งหลายแต่ละอย่างนั้นได้เก็บไว้เป็นพลังภายในจิตบางครั้งบุคคลอาจจะไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็ตามแต่เมื่อมีปัจจัยเข้ามาผสมพอที่จะแสดงออกได้สิ่งเหล่านั้นก็แสดงออกมาคร น, นี้ถ้าหากว่า บุคคลลองสงบใจกำหนดพินิจพิจารณาดูปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนก็จะเห็นผลของพลังกรรมที่เก็บไว้ภายในจิตหรือส่วนลึกของจิตใจได้เป็นอย่างดีเช่นว่ารูปยังใดอย่างหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเราแล้วก็เก็บไว้ภายในจิตจากนั้นอีกระยะเวลาหลายปี ไม่เคยเห็นรูปนั้นอีกเลยแต่ต่อมาเมื่อพบรูปนั้นเข้าถึงแม้ตัวรูปจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พลังของความจำที่เก็บไว้ภายในจิตก็จะผุดขึ้นมาทาให้เราพูดคำว่าจำได้นึกออกนี่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เก็บไว้ภายในจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่บางครั้งน้อยเกินไปก็ต้องรอคอยปัจจัยกระทบ จากภายนอกทั้งด้านดีและด้านไม่ไดีเมื่อมีเหตุปัจจัยพอสมควรแกก็พร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเรื่มหนาาอิจิพลออกมาทาพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นกรรมนิยมอันเป็นการแสดงความจริงตามธรรมชาติธรรมดากรรมเป็นกฎตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติกรรมกรรมขึ้นแต่กรรมมีอยู่เป็นอยู่อย่างไร ก็นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกเพื่อให้โลกได้ประจักษ์ชัดถึงความจริงในส่วนนี้แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากแก่การเข้าใจและยากแก่การยอมรับเพราะการอย่างรู้ถึงกฎของกรรมที่แท้จริงนั้นต้องอาศัยพยานอย่างที่ทราบกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเอาไว้ให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆอย่างที่สวดกันเพื่อปรับใจให้ยอมรับความจริงในส่วนนี้ให้ได้ แล้วกำหนดศึกษาพินิจพิจารณาถึงอิทธิพลของกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไว้ในแต่ละช่วงดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงจำแนกกรรมที่แสดงผลออกไปเป็นสามชุดชุดสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือนับตั้งแต่เกิดมาท่านเรียกว่าชนกกรรมคือกรรมที่นำคนให้บังเกิดข้อนี้จะเห็นว่า กรรมจะจำแนกพบชาติรูปร่างหน้าตาผิวพรรณไว้เสร็จ แ, แม้จะเกิดมาในท้องของมารดาดเดียวกันแต่ไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะว่าบุคคลทำกรรมไว้ไม่เหมือนกันบางอย่างที่คล้ายคลึงกันจนถึงกับมาอยู่ร่วมกันนั้นก็เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งซึ่งทรงสดแสดงไว้สีข้อใช้คำมาลีว่า ศรัท ธ, ธาศีลจาระปัญญาเสมอกันหรือใกล้เคียงกันก็ทำให้คนเกิดร่วมกันได้คล้ายๆกับท่านสาธรชนทั้งหลายที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นี้เป็นการบ่งชี้เห็นถึงพื้นฐานทางศรัท ธ, ธาทางศีลทางจาคะและทางปัญญาอยู่ในระดับใกล้เคียงกันจึงสามารถมาร่วมกิจกรรมที่เป็นกุศลได้การเวียนว่ายในพบชาต ก็คือการเหตดการณ์ออกข้ายาวขึ้นเท่านั้นเองซึ่งแต่ละอย่างเราวิเคราะห์ด้วยการปัจจุบันได้ทั้งหมดเมื่อจะดกก ร, ะกรรมนําบุคคลให้เกิดตามสมควรแก่อดิตกรรมที่แต่ละชีวิตได้กระทําไปแล้วออดิตกรรมจะเข้ามีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของคนโดยประการแรกออกมาในรูปของอุปถ ร, รมปกกรรมคือกรรมที่เข้าสนับสนุน การสนับสนุนนั้นหมายความว่าถ้าเกิดมาดีก็หนุนให้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดมาในสกุลไม่ดีก็คมให้ไม่ดียิ่งขึ้นซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นพวกเดียวกับชนกกรรมกรรมที่แต่งให้เกิดคนประเภทนี้จึงอยู่ในสองประเภทที่ท่านจำแนกเอาไว้คือมืดมามืดไปกับสว่างมาสว่างไป บุคคลประเภทที่สามกรรมประเภทที่สามเรียกว่าอุปปีเลกกรรมคือจะมีการเบียดเบียนบีบคันผลของสนุกกรรมที่แต่งมาให้เกิดเช่นสมมติว่าแต่งมาให้เกิดดีกรรมที่เป็นอกุศลก็จะเบียนให้มีอิทธิลพลเพ่าลงแต่ถ้าให้เกิดมาไม่ดีกรรมจะที่เป็นกุศลจะเกิดเบียนอีกทำให้ไม่ดีน้อยลงซึ่งก็หมายความว่า กรรมประเภทนี้จะเป็นกรรมทรงกันค้ากับที่แต่งมาให้เกิดทำให้ประเภทชีวิตของบุคคลออกมาในรูปที่เรียกว่ามืดมาสว่างไปบ้างหรือสว่างมามืดไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนกรรมอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าอุปเชษฐ ก, กรรมหรูอประคาต ก, กรรม เป็นกรรมที่มีอิทธิพลแรงมีกำลังในการทำลายสูงมากจะเข้ามาตัดผลของชนกกกรรมเลยเช่นชนกกกรรมแต่งมาให้ไม่ดีกุศลตามมาทันให้คนนั้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนดีมีฐานะาร่ำรวยมีอานาจมีอิทธิพลเป็นต้นทำให้บุคคลเหล่านั้นเจริญก้าวหน้าไปในเวลารุดเล้ว หรือว่าบางครั้งกุศลกรรมแต่งมาให้เกิดดีแต่อุศลกรรมที่มีกำลังแรงตามมาทันก็เข้ามาตัดใช่ไหมทําให้บุคคล น, นั้นเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้บุคคลสามารถกําหนดปินิจพิจารณาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลได้ลักษณะของกรรมที่บุคคลกระทํามีองค์ประกอบ สำคัญอยู่3ประการประการแรกก็คือสิ่งที่บุคลคลกระทําว่ามีคุณน้ามากหรือมีคุณน้อยประการที่สองคือเจตนาความจงใจที่บุคลคลกระทําลงไปทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางใจประการที่สมคือความพยายามความพยายามมากหรือความพยายามน้อยตัวอย่างเช่นในการให้ทานหรือการรักษาศีลกระทำ สมมติว่าตัววัตถุคือผู้ที่เราให้นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยกัญญาในธรรมเจตนาต้องการจะเสียสละจริงๆทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่มันเกิดศรัทธาเปี่ยมล้นขึ้นภายในใจและมีความพยายามสูงอย่างนี้แสดงว่าผลทานแม้วัตถุจะไม่ประนีตคือสิ่งที่ให้จะไม่ประณีตก็าตามแต่ยางอื่นประณีตผลก็แรงหรือว่าการทาบาป ทำอกุศลตัวอย่างเช่นการฆ่าสัตว์ถ้าตัววัตถุคือสิ่งที่เราฆ่ามีคุณมากเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์เป็นต้นและเจตนาในการฆ่าต้องแรงมากความพยายามก็ต้องแรงบาปจึงไปจักเร็วที่ท่านเรียกว่าเป็นอนันตรเกีย ก, กรรมแต่กรรมบางอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมแต่ก็เพาะเชื้อเล็กๆ็กน้อยมันมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเรานั่ง ไปบนรถไฟแล้วก็มองเห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ชัดแต่ภาพนั้นก็คือภาพถ้าเห็นบ่อยๆมันก็พอกาหนดได้ว่าอะไรเป็นอะไรกรรมประเภทนี้หมายความว่าทุกอย่างมันอ่อนตัววัตถุเช่นในกรณีของการฆ่าสัตว์เช่นตัววัตถุมีคุณน้อยเจตนาก็อ่อนอ่อนเช่นการทำยุงให้ตายเป็นต้นแต่ว่ายุงก็คือชีวิต เนื่องจากมีคุณน้อยเจ ต, ตนาในการทำก็ไม่มีอะไรมากบางครั้งไ ป, ปรูปพอตายไปตั้งความพยายามก็อ่อนไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะักกรรมนี้ก็กรรมเผาลงมาผลก็น้อยลงแต่อย่าลืมว่าผลจะต้องได้รับเหมือนกันท่านนี้ทนนั้นก็ต้องอาศัยการเพิ่มเชื้อขึ้นมาบปๆคือทำจนเกิดความเคยชินขึ้นมา ดังนั้นไอความรุนแรงหนักเบาของกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลพระศาสนาก็จําแนกให้เห็นในปัจจุบันตามลักษณะของกรรมว่ามีเป็นสี่ชนิดด้วยกันชนิดแรกเขาเรียกว่าคารุ ก, กรรมคือกรรมหนักพวกนี้แรงมากทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลก็จะให้ผลก่อนคนอื่นเขาหมดเลยมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเราของใส่เข่งหนึ่ง เอาไปเทลงมาจากที่สูงมีกระดาษบ้างทํามีบ้างท่อนไม้บ้างเหล็กบ้างหินบ้างสิ่งอะไรที่หนักที่สุดก็จะลงถึงพื้นก่อนแต่ว่าทุกอย่างนั้นลงถึงพื้นหมดจะทลอยลงมาตามความหนักความเบาของสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นคารุ ก, กรรมที่เป็นกุศลก็คือพวกรูปปัานและอารูปปัาจันที่เป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิ สายสมถะกรรมฐานเป็นชั้นโลกยะก็จริงแต่ว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วจะต้องบังเกิดในพรหมโลกตามกำลังของชั้นนั้นๆมีกติที่แน่นอนไว้เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นอกุศลคือพวกอนันตรรกรมห้ามีการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้าและทาสังฆเภทกรรมนี้เป็นฝ่ายหนักเป็นกรรมหนักฝ่ายอกุศลคน ที่ทำพอตายไปจะต้องตกนรกแต่ปัจจุบันนั้นจะประสบความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงเสก่อนประการต่อไปเรียกว่าพุรกรรมคือกรรมที่เบาลงมามันไม่แรงขนาดนั้นเพียงประการทำกุศลด้วยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเอาจริงบ้างไม่เอาจิงบ้างแล้วก็ทำาก็เก็บบเอาไว้กรรมเหล่านี้จะให้ผลรองลงมา แต่ทั้งนี้ยังมีเงื่อนไขเข้ามาประกอบในส่วนที่เป็นบาปก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอาจินนกรรมคือกรรมที่มาสะสมกันมาจนเคยชินทําเรื่อยๆทํำบ่อยๆไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแต่ยังไงก็เก็บก็สะสมไปมันมีลักษณะคล้ายๆกับอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจอะไรมากมายแต่ก็มีความรู้มีความเข้าใจอยู่พอสมควร เมื่ออ่านบ่อยๆเวลาได้ยินคนพูดก็พอเข้าใจว่าเรื่องนั้นเป็นอะไรเรื่องนี้เป็นอะไรกา ร, รมีประเภทหนึ่งเรียกว่าอาสันกนกรรมรือการไม่จวนจะตายก็จะปรากฏขึ้นมาตามเงื่อนไขของกรรมที่ท่านแสดงไว้โดยวิจิตพิสดารมากท่านบอกว่าคนเราก่อนจะตายมีลักษณะเหมือนกับคนจะข้ามคูแขบๆคือเท้ามันอยู่คนเราฝากคนเราฝั่งของคูนั่น เท้าหนึ่งก็อยู่อีกฟากหนึ่งท้าหนึ่งก็อยู่อีกฟากหนึ่งใจของคนเราก็เหมือนกันคืออยู่ระหว่างโลกนี้กับปัจจุคือโลกอื่นมันจะเห็นทั้งสองโลกค ล, ค, คล้ายๆคนก้าวจะข้ามคูนี่มันมองเห็นทั้งสองฝั่งของคูนั้นจึงมีกรรมที่เป็นตัวแปรอีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าอาสันญกรรมคือจะปรากฏขึ้นมาก่อนจะตายบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตเท่าไหร่แต่ใจไปเหนียวนึกเอาในตอนนั้น ก็คล้ายๆกับว่าเราขับรถไปตามถนนทั้งๆ ท, ที่พอรู้ทางอยู่ว่าจะไปทางไหนแต่พอเกิดทางแยกตัดสินใจผิดเลี้ยวผิดไปก่อนแต่อาศัยที่เรามีความรู้อยู่ก่อนว่าทางจริงๆเป็นยังไงก็จะเลี้ยวผิดไปสักระยะหนึ่งแล้วก็กลับรถมาในทางที่ถูกได้กรรมประเภทนี้มีลักษณะฉชนนั้น จะจำน่วยผลให้ทั้งทางดีและทางไม่ดีอยู่ระยะหนึ่งแต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่จะตายหรือเหมือนกับตัดสินใจเลี้ยวรถโอกาสที่จะกลับรับผลของกุศลและอกุศลที่ตนกระทำไว้จึงมีอยู่ไม่ห่างไกลแต่เรื่องของกรรมบุคคลไม่ควรจะไปคิดว่าเป็นเรื่องตัวสำคัญอยู่ที่อดีตตัวสาคัญมันอยู่ที่ปัจจุบัน คือบุคคลได้กระทำลงไปมันก็สร้างนามารูปขึ้นมาเรื่อยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแต่ละวันก็สร้างนามารูปเจตนาของบุคคลแต่ละครั้งที่บังเกิดขึ้นก็สร้างเป็นนามเป็นรูปขึ้นมาโดยทำดับและผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นก็เห็นกันในปัจจุบันนี้มากแต่นั้นประเภทระยะการให้ผลมันมีลักษณะมันเหมือนกับพืชซึ่งเราจะเห็นว่าขึ้นอยู่กับชนิดของพืช แต่พืชแต่ละชนิดที่บุคคลปลูกลงไปจะต้องให้ผลนั้นคือกดแน่นอนแต่เรื่องพืชบางครั้งไม่แน่นอ น, นทำไปเพราะามมา่มันอาจจะตายซะก็ได้แต่กรรมมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นคือก็จะต้องทำหน้าที่ให้ผลของแกไปตามชนิดของแกตามช่วงระยะ ก, การของแกพระพุทธศาสนาก็แสดงประเภทในส่วนนี้เอาไว้เป็นสี่ชุดสี่ระดับเหมือนกันระดับแรกคือเห็นกันในปัจจุบัน ให้กันในปัจจุบันอาจจะถ้าการมันแรงแรงทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและกุศล ก, ก็อาจจะให้ในระยะเดือน2เดือนหรืออาจจะเพียงปีสองปีทันเดงก็เห็นกันแล้วนี่เป็นตัวพลังจริงๆไอ้ส่วนให้ในขณะกระทาลงไปที่จริงเราก็สัมผัสผลกันในขณะนั้นคือความร้อนใจและความสุขใจตามลักษณะของกรรมการมีประเภทหนึ่งมันยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไป ซึงก็หมายความว่าคล้ายๆกับว่าเราไปปลูกมะพร้าวเอาไว้แล้วพอดีเราตายไยก่อนลูกก็ได้รับผลมันก็ให้ผลเหมือนกันคนเราจึงมีการเป็นทายาทอย่างที่สุดกันคือจะต้องรับมรดกกรรมที่เรากระทำเอาไว้รูปแบบชีวิตในสังสารวัฏจึงมีลักษณะเหมือนกับบัญชีซึ่งมีหน้าลูกนี่และหน้าเจ้านี้ทั้งสองหน้านั้นจะต้องดุนกันก่อนจึงปิดบัญชีได้ ชีวิตของคนเราที่เวียนว่ายในสังสารวัฏก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตราบใดที่ยังไม่สิ้นกรรมตราบา น, นการเวียนว่ายในสังสารวัฏก็ต้องมีนามรูปในชั้นของการเกิดก็ต้องมีด้วยแต่ว่าอย่าลืมเรื่องนามรูปในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดกับนมาเรื่อยเกิดอยู่ทุกขณะแล้วเกิดดับอยู่ทุกขณะแต่ที่ดับไปแล้วอย่าลืมว่าเชื้ออย่างหนึ่งที่เรียกว่าตัวพลังนั้นยังเก็บไว้ภายในจิตทั้งพลังกรรมแล้วก็พลังของกิเลส การประเภทต่อไปเป็นการยกยอดตามไปให้ผลในภพที่สืบสืบไปซึ่งเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าได้ศึกษาประวัติของพระพุทธองค์จะพบว่าในประวัติของพระผู้มีพระภาคแก่นั้นมีตั้งหลายช่วงหลายตอนที่เกิดขึ้นทางด้านดีและด้านไม่ดีนั้นพระองค์ได้ชี้ให้ประสาวกราบว่านี้เป็นผลกรรมในอดีตของพระองค์การอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า อโหสิกรรมคือให้ผลกันเสร็จแล้วซึ่งตามปกติประเภทของอโหสิกรรมนั้นจะมีในลักษณะที่แก้ให้ผลไปเสร็จหรือว่าอารตาตมักมาตัดผลของกรรมนั่นเียอย่างชีวประวัติของพระองคุลิมานที่สร้างกรรมไว้มากแต่ว่าอารตาตมักมาตัดเสียท่านก็รับผลเบี่ยงเล็กน้อยแล้วท่านก็นี้ผ่านไปกรรมก็ตามอะไรท่านไม่ได้ ทีนี้กรรมที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ในปัจจุบันอีกประการหนึ่งในเชิงของผลมันจะต้องอาศัยองค์ประกอบองค์ประกอบที่สําคัญท่านแสดงไว้สี่ชนิดชนิดแรกเรียกว่าคติคือสถานที่หรือพบที่เราอุบัติรวมถึงสกุลท้องถิ่นที่เราอุบัติด้วยว่าเราอุบัติในที่ไหนบางคนอาจจะเกิดเสืยไกลกลางทุ่งนาตามลืบเขาบางคนอาจจะเกิด เกิดในสิ่งที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศคือสถานที่ที่อำนวยให้ใกล้ชิดกรรษัตริย์บุรุษเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้มันเป็นตัวแปรประการสําคัญประการหนึ่งอย่างน้อยก็ทําให้ช่วงความสําเร็จของคนแตกต่างกันคือคนที่เกิดมาใกล้ชิดกรรษัตริย์บุรุษอาจจะก้าวหน้าไปในเวลารวดเร็วกว่าคนที่เกิดในท้องที่ทธิทุรกันดารจะก้าวออกมาจากป่าเหล่านั้นได้ก็ น, นั้น แต่ถ้าอิทธิพลของกรรมคนเหล่านั้นดีเราก็จะพบว่ามีคนเอาช้างเผือกออกมาจากป่าได้เป็นนั้นมากเหมือนกันประการต่อไปก็คือเรื่องของอุปธิเ็าเรียกว่าสุขภาพพลานามัยของเรามีส่วนอย่างสำคัญบางคนอะไรก็ดีหรอกแต่พอถึงคราวจะสอบแข่งขันก็ทำงานเกิดป่วยใสอบไม่ได้นี่เรียกว่าตัวอุปธิเป็นตัวอุปสรรคเป็นตัวขัดขวางเอาไว้ ในด้านสนับสนุนส่งเส ร, ริมเขาเรียกว่าอุปธิสมบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือ ม, มีสุขภาพพลานามายัยดีสามารถทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลของงานก็ปรากฏประสิทธิภาพของตัวเองก็สูงขึ้นเป็นประจักษ์พยานที่จะให้คนยกย่องสนับสนุนได้อีกประการหนึ่งก็คือกาละได้แก่ยุคได้แก่สมัยได้แก่การเวลาที่อํานวยให้กรรมนั้น พี่ดอกออกผลออกมาได้ถ้าตัวการมันวิบัติไปมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันซึ่งข้อ น, นี้เราจะเห็นได้ว่าเช่นคนเราบางครั้งมีความขยันหมั่นเพียรประกอบธุรกิจของตนเช่นทํานาทํ า, า, ทาสวนเป็นต้นแต่ตัวกาละมันเกิดวิบัติเกิดฝนแรงอะไรต่ออะไ ร, ะไรต่างๆสิ่งเหล่านัน้นก็วิบัติไปได้ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้แก่ทําแต่ว่าตัวการมันกลายเป็นอุปสรรคขึ้นมา และตัวที่สาคัญที่สุดก็คือตัวประโยค์คะเขาเรียกว่าความการประกอบธรรมของเราในปัจจุบันซึ่งจะเห็นได้ว่าด้วยความเพียรพยายามในด้านกุศ ล, ลกรรมของบุคคลที่เพียรพยายามกระทำไปนั้นจะเปลี่ยนแปลงผลของอดีตกรรมได้ได้จมไปข้อสำคัญว่าต้องทำจริงๆมีความเพียรพยายามเอาจิงไม่ยอมสยบต่ออานาจอะไรทั้งหมด แม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือถูกอนภาพไปแต่ก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองโดยร่างกายที่มีอยู่เพียงเท่านี้อย่าต้องพยายามทำอะไรให้ได้เต็มตามความสามารถมัน ก, ก็กลายเป็นตัวแปรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่บุคคลแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวกรรมที่เราใช้ความพยายามลงไปด้วยถ้าทาไม่ดีมันก็แปรหมดเหมือนกันถ้าทาดีก็แปรได้เหมือนกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของกรรมเป็นเรื่องที่มีความละเอียดลึกซึ้งมากแต่บุคคลผู้ศึกษาพินิษ์พิจารณาอาจจะจับหลักอยู่ที่ความเชื่อต่อการศัสรูของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยกล่าวมาบ่อยๆแล้วก็มองเห็นว่าถ้าไม่มีกิเลสกับกรรมปัจจัยของนามในรูปมันมีไม่ได้อย่างการดูรูปเป็นต้นการเห็นรูปเป็นต้นถ้าจิตใจเราไม่มีกิเลส รูปนั่นก็ตกไปจากจิตคือไม่เอามาปรุงคิดให้เกิดเป็นความรักความชังขึ้นมาแล้วก็หยุดเพียงเท่านั้นนี่ดูกันในขณะปัจจุบันกิจจะเห็นได้ว่าตัวการสำคัญมันอยู่สอ ง, ส อ, งอย่างนี้เองส่วนเรื่องอดีตนั้นแน่นอนบางอย่างเราไม่อย่างรู้ได้แต่เป็นเรื่องที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นผลผิของกับซึ่งก็เหมือนกับเป็นมเมล็ดพืชมเมล็ดหนึ่งที่ยังมียางเหนียว และอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแกก็พร้อมที่จะงอกของแกได้เรื่อยไปแล้วก็สืบพืชพันได้เรื่อยไปแต่วันใดคืนใดที่ไอหนอของพืช น, นั้นถูกทำลายหรืออย่างนี้แห้งกรอบไปพืชเมล็ดนั้นเฉพาะพืชเมล็ดนั้นจะยุติการสืบพัน์อีกต่อไปเลยแล้วจะสูญหายไปเลยชีวิตของคนเราทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นใครากตรที่ยังมีกิเลส เชือวิชาตนาอุปาทานและกรรมโยนามรูปในส่วนของตัวเราก็จะเกิดขึ้นเรื่อยไปและความยึดติดในนามรูปต่างๆก็จะปรากฏภายในจิตของเราอยู่ดังนั้นหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาชั้นของการกำหนดรู้นามรูปจึงมีผลในหลายด้านด้วยกันทั้งด้านที่ยอมรับกฎความจริงแห่งสังสารวัฏ และกฎการที่จะสำรวมระวังใจเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดในนามรูปจนออกมาเป็นอภิชาตัญหาเป็นอภิชาโทมนต์ในอารมณ์นั้นการศึกษาการกำหนดพิจารณาแยกแยะในลักษณะนี้จะต้องอาศัยความสงบเป็นฐานสนับสนุนแล้วค่อยๆ ค, คิดค่อยๆพิจารณาไปความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงก็จะบังเกิดขึ้น ต่อจนี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบตอบ